ขเิญสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นบทเรียนต่อในครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดกันมาถึงเรื่องตอนที่พระองค์นั้นจะแสดงประทมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิมฤคทายวันในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสารหะ บ, บูชา หรืออาสาหะ บ, บุรมีพระองค์ได้เรียกพระพิสุอันได้เรียกปัญจวคัคคีทั้งห้ามาแล้วพระองค์ก็ได้แสดงปฐมเทศนาคำว่าปฐมเทศนานั้นหมายถึงว่าเทศครั้งแรกแต่ในการเทศครั้งแรกนี้พระองค์ได้เทศหรือว่าได้ทรงสดแสดงธรรมจักกกปฏวัตนสูตร <c oughs> คำว่าธรรมจั ก, กรกปฏวัตนสูตรนี้ หมายถึงว่าพระสูตรที่ยังจักคือธรรมะหรือวงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไปพอจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับที่พระเจ้าจากักรพรรดิได้มีจักรรัตนะพระองค์ในเสด็จไปด้วยจักรรัตนะเป็นการประกาศภาวะแห่งความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิขันใดปองสุดทรภูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมจักกับประวัตนศาสตร คือพูดสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไปนี้ก็เป็นการประกาศความเป็นพุท ธ, ธะของพระองค์เช่นกันพระองค์นั้นได้แสดงพระธรรมจักโรโปรตัญจวักีทั้งห้าในเนื้อความแห่งพระธรรมจักรนั้นในเบื้องต้นพระองค์ได้ทรงแสดงทางที่สุด ท, ที่เรียกว่าทางที่สุดตรงสองสาย ที่บรรดาพวกบรรพชิตและนักบวชทั้งหลายไม่ควรประพฤติหรือไม่ควรดาเนินทางสองสายนั้นทางสายหนึ่งเป็นทางที่หย่อนเกินไปที่เรียกกันว่ากามสุขะริการุโยกกามสุขะริการุโยกนี้เป็นหุ้นทางที่ประกอบไปด้วยความสุขอันเกิดจากกาม ในความยินดีในความสุขมันเกิดแต่กามอันนี้ทางสายนี้เขาจะเปรียบเทียบแล้วเป็นทางที่หย่อนเกินไปเปรียบเหมือนทางที่เต็มไปด้วยโครและตมซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินในทางสายนี้แล้วไม่ใช่ไม่มีทางที่จะได้ตัดสู่ได้การมาสุขขันธิการ น, นิยมมีคือการประอกอบความเพียรในการในความสุขแห่งกามนี้ ไม่ใช่หนทางที่จะได้ดำเนินไปสู่ทางทัตยุเป็นการที่หมกมุ่นอยู่ในกามาคุณทั้งห้านีเรียกว่าเป็นทางที่หย่อนเกินไปอีก ท, ทางสายหนึ่งก็คือทางที่ตรงเกินไปได้แก่อัตะกิละมาฐานุโยคคือการบำเพ็ญเพียรดยการทรมานตัวให้บริบัหให้ลำบากคือการทรมานตน อย่างเช่นที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วคือทุกกรกริยาคือการกระทำความเพียรที่ยากยิ่งนั่นเองทางสายนี้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เป็นทางที่เต็มเกินไปเป็นทางที่เต็มไปด้วยขวากและหนามเพราะฉะนั้นการเดินมุ่งเนไปในทางสายนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้บรรลุสุดยอดหรือสถานที่ที่ตนเองปรารถนานได้ในที่นี้ก็หมายถึงพระนิพพาน ทางสองสายนี้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับสายพินซึ่งทางแรกนั้นเปรียบเหมือนการขึงสายพินที่หย่อนเกินไปก็ไม่สามารถที่จะดีดให้มีเสียงดังไพเลาะเป็นเพลงได้แต่ส่วนทางสายที่สองนี่เหมือนกับสายพินที่ขึงตึงเกินไปเมื่อดีไปแล้วไม่ช้าก็จะขาด แลวก็เสียงก็แข็งไม่สามารถที่จะให้ฟังเป็นเพลงไพเราะได้นี่ฉันใดพระองค์ทร ง, รทรงสแสดงเสียว่าทางสองสายนี้ไม่ใช่ทางที่จะตัด ท, ที่จะตัดสู้ได้ในข้อแล้วพระองค์ก็สแสดงทางสายที่สามคือเป็นทางสายกลางทางสายกลางที่เราเรียกว่ามัชิมาปฏิปทา ขนทางสายนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางได้แก่มักแปดมักแปดประการนี่แหละขนทางที่จะสู่ไปจะเดินทางไปสู่พระมิพานได้หรือให้สําเร็จการตัดสู่ได้เป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนาที่ดําเนินทางสายกลางเหตุใดพระองค์จึง อันนี้เราควรจะทราบด้วยว่าเหตุใดพระองค์จริงได้ยกทางสามสายนี้ขึ้นมาแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพราะเพราเหตุว่าประการหนึ่งปัญจวัคคีย์นี้เดิมนั่นนับถือศาสนาพราหมณ์หรือว่ารัฐทิของพราหมณ์พราหมณ์นั้นก็มีความเห็นอยู่ว่านิพพานนั้นมีอยู่สองคือโลกิยะนิพพานหนึ่งโลกุตระนิพพานหนึ่งโลกิยะนิพพานนั้นหมายถึงว่ามีคนที่เพียบพร้อมไปด้วยกามาคุณทั้งห้า จักว่าไปนิพพานได้เหมือนกันที่เพียบพร้อมด้วยการมาคุณทั้งห้าคือเพื่อเพียบพร้อมไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพทุทธภพทั้งห้ประการนี้สามารถบำบัดความทุกข์ได้ที่แล้เรียกว่านิพพานนิพพานแปลวันดับทุกข์นี่ถือว่าเป็นอย่างนั้นถือว่าไปทางนิพพานไปทางนิพพานได้หรือว่าถึงนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสมาเพื่อจะปฏิเสธหรือเพื่อเป็นการที่ว่าทำลายความเห็นชนิดนี้ ของบรรดาพวกอ่พราม์ที่มีความเห็นผิดไปชนมีเสียอีกประการหนึ่งก็คืออัตกิลมัทฐานิโยคนั้นคนชมพูไอาชาวชมพูทวีปนิยมการบังเพนเพียนโดยการทรมานกายถือว่าการทรมานกายนี้เป็นการบัเพนเพียนอย่างสูงสุดบุคคลใดต้องการที่จะให้สําเร็จสิ่งที่ต้องปรารถนานั้นก็ต้องบัเพนเพียนสายนี้ เพระเหตุที่ว่าเทพเจ้าอยู่เบื้องบนจะได้เห็นใจประทานสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ให้ถ้าหากว่ายังไม่ถึงบรรลุจุดหมายตายเสียหรือสิ้นชีวิตเสียนในขณะบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นก็จะไปได้สู่สวรรค์นี่เขามีความเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอัตตกิลมัฏฐานโยชนี้พระองค์ก็เคยกระทํามาแล้วทรงกระทํามาแล้วคือบำเพ็ญทุกขก ร, ริพฤยาแต่ไม่มีทางสําเร็จเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้ปฏิเสธทางสายนี้อีกเช่นกัน และพระองค์ก็ได้ประกาศทางสายกลางที่เหลีมัชฌิมาปฏิปตาที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาจนสําเร็จมาแล้วที่ว่าทางสายกลางนั้นก็คือการบำเพ็ญเพียรทางใจบำเพ็ญเพียนทางมรรคแปดกันเองนี่เป็นในเบื้องต้นแห่งการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสุขในลําดับต่อไปพระองค์ก็แสดงความเป็นพุท ธ, ธะของพระองค์ก็คือแสดงถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ จนกระทั่งมีพระนามโดยคุณในโดยคุณอนามว่าอารหังตมาสมพุทโทธธรรมะที่พระองค์สัตท์ทงตัทธรุนั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่อริยสัจสี่ประการอาริยสัจนี้แปลว่าความจริงหรือว่าของจริงอย่างประเสริฐหรือว่าของของอหรือว่าแต่ของจริงอย่างประเสริฐหรือว่าสัจจะของพระอริยะคือผู้ประเสริฐนั่นเอง ของจริงอย่างประเสริดเผยของจริงอย่างแท้แท้ในโลกเหล่านี้มีสัจจะอยู่สองสัสจจะคือหนึ่งสมมติสัจจะกับสองอริยสัจจะสมมติสัจจะนั้นหมายถึงว่าจริงตามสมมติเช่นเราเกิดมาในโลกนี้เราก็เรียกกันตามสมมติว่าบุคคลนั้นชื่อแดงบ้างบุคคลนั้นชื่อเขียวบ้างเป็นอันที่รู้กันและใครๆก็ยอมรั บ, บว่าพื้นนี้ชื่อแดงพื้นนี้ชื่อชื่อเขียวอันนี้เป็นไปโดยสมมติ แต่ต่อไปนั้นคนที่ชื่อแดงชื่อเขียวนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นไปก็ได้อาจจะชื่อตามชื่อขาวก็ได้นี่เรียกว่าไม่แน่นอนแต่ส่วนสัจจะอริยสัจจะนี้เป็นสัจจะที่แน่นอนได้มีมาแล้วในอดีตการปัจจุบันนี้ก็ยังทรงสภาพอยู่และในในอนาคตการนั้นก็จะไม่แปรผันไปอริยสีส่ประการนี้ก็ได้แก่หนึ่งทุต สภาวะที่ทนได้ยากสองสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สามนิโรธความดับทุกข์และสีมะ่มรรคคุทางหรือเหตุให้ถึงความดับทุกข์สี่ประการนี้เป็นสภาวะทำที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันในดีตการมีสภาพฉันใดในปัจจุบันตการและอนาคตการก็จะมีภาพสภาพฉันนั้น อริยสตรีประการนี้มีอยู่แล้วประจําโลกแต่ยังไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งค้นพบพระพุทธองค์นั้นทรงพ้นพบเป็นองค์แรกและเป็นผู้ทรงประกาศเป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นการประกาศนี้ก็หมายถึงว่าการประกาศความเป็นพุทธของพระองค์ทุกสภาวะที่ทนได้ยากนั้นคือเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกต้องสัมผัสเขาแล้วย่าที่จะทนได้ ในทุกนี้สภาวะที่ทนได้ยากนี้ท่งกล่าวไว้ว่าได้แก่ชาติปิทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เหตุใดจึงเรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์คนเราทุกคนมันชอบการเกิดดิดามดาราเมื่อรู้ว่าบุตรของตัวเองกําลังเกิดมาหรือบ้านอ่าหรือพี่น้องญอาติพี่น้องหรือว่าญาติของตัวเองจะให้กำเนิดทาตลกขึ้นมานั้นมีแต่ความร่าเริงยินดี และเหตุใดพระองค์จึงตรัสว่าชาติปิตุขาการเกิดเป็นทุกข์อันนี้ขอให้เราท่านนั้นมองคิดให้ดีชาติปิตุขานั้นการเกิดเป็นทุกข์นั้นทุกทั้งผู้ที่เกิดและผู้ให้กำเนิดผู้ที่เกิดนั้นคือหมายความว่าทาโลกที่จะเกิดมานั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันของมารดานั้นเก้าเดือนในสถานที่คับแคบเหลือเกินไม่ใช่อยู่สบายในนั้น แม้กระทั่งเมื่อตนเองคลอดออกมาแล้วได้รับอากาศในภายนอกถูกต้องลงไปแล้วก็เกิดความแสบปวดชิ้นเลื่อนล่องขึ้นมามนี่เรียกว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ประการที่สองผู้ให้กําเนิดคือผู้ที่เป็นมารดานนัน้ผู้ที่ให้กําเนิดพาโลกนั้นก็เป็นทุกข์ในการที่จะต้องอุ้มครรภ์พารกนั้นถึงเก้าเดือนนั้นไม่ใช่ของดีไ ม, ไม่ใช่ของทําไปได้ง่ายแล้วในตอนที่จะ ให้กำเนิดมาคือการในการให้คลอดมานั้นก็ทุกแสนที่จะทุกเรียกว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าความเจ็บปวดอันใดที่จะมาเทียบเท่าการที่ให้กำเนิดทารกเพราะฉะนั้นการที่ให้กำมารดาผู้ให้กำเนิดทารกนั้นท่านถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเสี่ยงต่ออันตรายแก่ชีวิตเปรียบเหมือนทหารที่เข้าสู่สงครามไม่ทราบว่าตนเองจะรอดมามีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ ชั้นใดก็ดีผู้ที่เป็นบรรดาให้กำเนิดแก่ทาลกก็ฉันนั <c> ้น <oughs> นี่เรียกว่าทุกทั้งผู้ให้กำเนิดแฉลาปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์คนแก่ไม่เคยที่จะได้รับความสุขจริงอยู่คนที่ร่ลำรวยมั่งมีเงินทองนั้นอาจจะเป็นอยู่สบายการกินการนอนการใช้จ่ายหรือว่าการเที่ยวอะไรต่ อ, อะไรก็จะ อ, อาจจะสบายจริง แต่เมื่อสังขารชราของตัวเองซุดโซโรมไปนั้นทําอะไรนั้นจะทําติ่งหนึ่งติง่งใดจะลุกขึ้นก็นดีเดินก็นดีมันไม่สะดวกเหมือนที่คนหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นอาการที่แก่เท่าชราไปเนี่ยจึงเกิดเป็นความทุกข์ทุกหลายอย่างตนเองเนี่ยส่องดูไปจกดูหน้าของตัวเองเห็นเหี่ยวโ ย, ย่กันแล้วก็เกิดทุกข์ไม่สบายใจเพราะเหตุที่ตัวเองเป็นคนแก่นี่เหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นมันทุกทางนั้นมรณะปีทุกขง ไีการที่มีความเจ็บป่วยใกล้จะตายนั้นเปรซนจะเป็นทุกข์มีทั้งหมดเนี่ยท่านกล่าวไว้การเกิดก็เป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์และนอกจากนั้นการโศการเศร้าโศกาลอโศการไยลมพันธุานาะก็เป็นทุกข์แม้แต่ว่าการได้ประสบ คนที่เราไม่ต้องการจะประสบคือพบคนที่เราไม่ต้องการพบมันก็เกิดทุกข์ส่วนคนใดที่เรารักใคร่ได้ พ, ดพลาดลาจากกันไปก็เกิดทุกข์เช่นบุคคลผู้มีบิดามารดาหรือบุตรพันยาของตัวเองสามีอันเป็นที่รักใครของตัวเองนั้นถึงแก่สิ้นชีวิตไปหรือจากล่าไปก็เกิดความทุกข์นี่ทุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในที่ในข้อนี้พระองค์ทรง ส, ส, สรุปไว้โดยสั้นว่า สังกฤษเป็นปัญจุ ป, ปาทราถุปปาาขา้าเมื่อว่าโดยสังเขปแล้วขันห้าเป็นทุกข์คือคนเราที่เกิดที่มาเป็นทุกข์ใดก็เพราะเหตุที่ว่ามีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซิ่งเหล่านี้มาประกอบมาเป็นโตตนะคู่แล้วก็เป็นเหตุนำมาสึ้งความทุกข์ประการที่สองสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดหรือว่า สาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดนั้นได้แก่สมุทยัยจมูนให้ในที่นี้ท่านได้กล่าวไว้ได้แก่ตัณหาสามประการหนึ่งกามาตัณหานะความทะเยอทะยานหรือว่าความรักใคร่เกี่ยวกับเรื่องการมคุณสองภวะตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่และสามวิภาวะตัณหาความที่ไม่ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งสามประการ น, นี้เป็นเหต้นเหตุให้เกิ ด, กดความทุกข์ กามาตัญหาได้แก่รูปเสียงกลภภิ่นรสพุทธภพคนเหานั้นก็หากาเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่นี่เพราะเหตุที่ว่าเรามีกามาตัญหาควบคุมหรือว่ารัดเรืองจิตใจอยู่ที่ไม่เกิดทุกนานัประกาเช่นบุคคลที่มีบุตรเมื่อบุของตัวเองได้รับอันตรายอันอันหนึ่งอันใดก็เกิดความทุกข์แต่ตรงกันข้ามก็คนที่ไม่มีบุตรเมื่อบุตรของคนอื่นได้รับอันตรายแล้วตนเองก็วางเฉยใชวางอุเบกขาได้ แต่พอถึงบทของตัวเองแล้วทนไม่ได้นี่ก็เพราะอะไรก็เพราะเหตุที่ว่าเกิดเนื่องมาจากกวามตัณหาเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เมื่ออยากได้โน้นได้นี่หรืออยากเป็นโน่นเป็นนี่ไม่สงความมุ่งมาตตนามันก็เป็นทุกข์ถึงในเมื่อต้องการจะเป็นโน่นเป็นนี่ก็ต้องพยายามขวนขวายนานับประการมันก็เป็นทุกข์นี่วิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี่ ขึ้นตนเองเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงไม่อยากจะเป็นคนที่ไรเกียรติไรเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนที่มีทรัพย์ลํารวยไม่อยากจะเป็นคนยากจนไม่อยากจะเป็นคนที่ป่วยไข้กระเซาะกระแสกมีความที่ไม่ต้องการอย่างนี้ไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อย่างนี้ก็เกิดความเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราปรารถนาชนีไม่ทราบว่าเราจะได้สมความปรารถนาหรือไม่นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงนล่าว่าตัณหาสามนีชื่อว่าสมุทไทยคือเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ สามนี่โรดความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ได้แก่ความปล่อยวางไม่ยึดมันด่นโดยอุปาทานคนเราจะหากไม่มีความยึดมั่นจะแล้วไม่อะไรยัยดีในจิเลตันหาทั้งหลายแล้วความทุกข์มันก็หมดไปนะในข้อนี้ท่านหมายถึงวันนี้โรดนี้หมายถึงวันนี้พ่านเหมือนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิ่งใดแล้วตนเองไม่ใดอาลายนักเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไป ตนเองก็ไม่เกิดความเสียใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดับทุกข์ได้ข้อที่สี่มักเหตุให้ถึงความดับทุกข์มักนี้ได้แก่มักมีกมอกแอบมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําดิชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบสัมมาวายมะพยายามชอบสัมมาสติ ระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบหนทางแปดสายนี่แหละเป็นหนทางที่บุคคลใดดำเนินไปแล้วบุคคลนั้นจะบรรลุถึงความดับทุกข์คือนิโรธไป้ในพระองค์ทรงแสดงพระธรรมาจากกักรปรปวั ต, วตวนสูสรในเนื้อความนั้นก็ตอนต่อมาก็คือแสดงถึงเรื่องอริยสัจสิอริยสัจีประการ นี่เป็นเนื้อความในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเมื่อพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมจักกับปวัตนสูตรจบลงปรากฏว่าดวงตาเห็นธรรมที่เราเรียกว่าธรรมจักสุขได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญะได้เกิดขึ้นแก่โกนทัญญะหรือสีอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา นี่เรียกว่ดวงตาเห็นธรรมดวงตานี้ก็เลยแก่ดวงตาคือปัญญาอปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่โกนทัญญะพลูสีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วย่อมดับแต่สลายไปหมดคือหมายความว่าคนเราก็ตามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็าตามเกิดขึ้นมาแล้วตายหมดไม่มีเหลือนี่เห็นตามหลักของธรรมดาแล้วหรือเทียเรียกว่าธรรมชาติหมายความว่า เห็นถึงหลักของอนิจจาอ่านิจจังเห็นตามหลักนิจจ์เมื่อเห็นตามหลักนิจจงแล้วก็เห็นตามหลักของทุกขังนิสตาก็เป็นอันว่าได้บืดวงตายให้ทําเป็นธรรมจักสุขอันนี้ท่านหมายถึงว่าได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันรงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบว่าต้นธัญญานี้ ฟังเทศที่พระองค์ทรงเทศเรื่องพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรนี่รรหรือเรื่องได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคือรู้ซึ้งถึงในธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นผู้สนดาบานเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งพระอุทานด้วยความเบิกบานพระไถวาอัญญาสิกวัตโขกนันทโยอัญยาสิกวัตโขกนันทโยเป็นภาษาเป็นภาษามคตซึ่งมีความหมายว่า อ, อ, อัญญาโกนไอ้โกนทัญญะผู้เจริญรู้แล้วหนอโกนธัญญะผู้เจริญรู้แลนหนออัญญาสิกนี่แปลว่ารู้แ ล, ล้วรู้แล้วอัญญาสิกวะตะนะรู้แลนหนอรู้แลนหนอเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่พระองค์นั้นได้ทรงเปล่งพระอุทานเช่นนั้นต่อมาโกนทัญญาจึงได้มีนามต่อข้างหน้าว่าอัญญาโกนทัญญะตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ก็แปลว่าอัญญากณทัญญะก็แปลเป็นชื่อของท่านแปลว่าโกณทัญญะผู้รู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการที่พระองค์แสดงพระปฐมเทศนาคือพระธรรม จ, จักรต่อปวัตนาสูุครั้งแรกนี้ก็นับว่าไม่ผิดหวังสามารถให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจได้จนได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งในหลักของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจิงได้กล่าวว่าจิมได้ถือได้ว่าคนที่ได้รึกซึ้งถึงธรรมะหรือเป็นพระยาบุคคลเป็นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระอัญญากุลัญญานี้เองอัญยากุลัญญาณเ น, น้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วตนเองเป็นผู้มมีความสงสัยในพระธรรมตรัยแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาไม่คลอนแขน็งก็จึงได้ทูลขอบวช เนี่ยจึงได้ทุมขอบทต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงประทานอุปสมบทให้โดยการบัตาอันปัตหาวิธีอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุปุสมทาเอหิภิกขุอุสมธทา น, น, ทา น, นี้พระองค์ทรงแปลงอุทานว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอ เพาะเหตุที่ว่าพระองค์ทรงตรัดว่าเอหิพิคุเธอจงเป็นพิสุทมาเถิดเช่นนี้เพราะฉะนั้นการบรรพชาวิธีนี้จึงมีชื่อว่าเอหิพิขุอุปสมัติหมายถึงว่าการที่พระองค์ทรงเรียกเข้ามืออเข้ามูทรงกวักตัวหัตเจียยอมรับให้โกนธัญญานี้เป็นพระพิสุทธ์ในพุทธศาสนาจึงนับได้ ว, ว่า มีภิกษุในพื้นในพระพุทธศาสนาคือพระสององค์แรกในพระพุทธศาสนานั้นก็คือโกนทันอัญญากลทัญญะเถระนี่เองนับว่าเป็นกระถมสาวกเมื่ออัญญากลทัญญะนี้ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุถูกต้องตามพระวินัยในพระพุทธศาสนาแล้วจึงนับได้ว่าพุทธศาสนาของเหล่านั้นมีพระตัตนตรัยครบสามประการขึ้นในวันนี้เอง ตอนแรกนั้นมีแค่พุทธรัตรนะคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสองธร ร, รม ร, รัตนะคือพระดำรัลั์หรือว่าธรรมะคำสั่งสองของพระพุทธองค์ยังหามีพระสงฆ์ไม่แต่เมื่ออัญญากกณัญญานี้ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วจึงนับว่ารัตนะสามประการนั้นได้มีครบบริบูรณ์ในวันนี้เอง คือในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เราเรียกว่าอาสารหะมากตอนพุทศงฆ์สี่สิบห้าปีมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นองค์แรก <c oughs> แล้วก็มีพระญาบุคคลซึ่เป็นพระสงฆ์นั้นเป็นองค์แรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันสำคัญเช่นนี้คือในวันอาสารหะบูชาปันเพียขึ้น สิบห้าคำเดือนแปดนี้ออประชาชนทั้งหลายชาวพุทธจึงได้ถือวันเป็นวันสําคัญของทางพุทธศาสนาวันหนึ่งจึงได้มีการบูชาเป็นพิเศษโดยการมีการเวียนเทียนไปทำวัตรธรรมประจํากันกระทั่งที่เรียกว่าทั่วประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาความจริงแล้ว สำหรับในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เราเรียกว่าเป็นวันอาสาระหบูชาเป็นวันสําคัญในพุทธศาสนานั้นโดยมากเราจะรู้กันกเพียงว่าเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงประทุมรริศนาแต่ความจริงแล้วถ้าจะกล่าวแล้ววันนี้มีความสําคัญหลายประการมีอะไรบ้างที่เป็นวันสําคัญซึ่งตรงกับในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดคือวันอาสาระหบูชานี้ก็คือหนึ่ง เป็นวันที่พระโพธิสัตว์หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่เดียรสต่สรูกได้จุติจากเทวโลกลงมาปฏิสนธิในพระคัต์ของพระพุทธมารดาคือพระนางเจ้าสิริมหามายานี่เป็นประการหนึ่งประการที่สองเป็นวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกบรัญชา นะประการที่สามเป็นวันที่วันเดียวกันกับที่พระราวหุนกุมารขึ่นต่อมาในภายหลังเป็นพระในพุทธศาสนาเป็นพระอาหารหันตขีณาศพผู้มีชื่อเสียงองค์งงหนึ่งมีชื่อเสียงองค์หนึ่งได้ประสูตรขึ้นในวันนี้ประการที่สี่เป็นวันที่พระองค์แอแสดงประทมเทศนาประการที่ห้า เป็นวันที่พระสงฆ์หรือยอดพระสังฆรัตนะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นองแลและประการที่หกนั้นเป็นวันที่รัตนะไตรทั้งสามได้ครบบริบูรณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราทั้งหลายเมื่อเห็นว่าวันนั้นเป็นมงกลเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วหรือเยนมาบรรจบแล้วก็จึงได้ทำการบาเพ็ญอธิการด้วยการบูชา เวียนเทียงกันเป็นการใหญ่เพื่อเป็นการน้อมจิตใจบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยการปฏิด้วยอามิสบูชาและด้วยการปฏิบัติปปฏิปฏิฏฏฏฏฏับูชาจึงนับว่าเป็นวันสําคัญประการหนึน่งนี่เป็นวันที่เรียกว่าอาสารหะบูชาต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนปัญจะวคีที่เหลืออีกสี่องค์ คือว่าปะพัทยะมหานามะอสชิด้วยปกิณกะเทศนาคือด้วยปฏิอาด้วยเทศนาเล็กๆน้อยๆปปรมบ่มนิสัยจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้งสี่องค์นั้นได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดการที่สำเร็จนั้นท่านก็กล่าวไว้โดยสองไายด้วยกัน บางตำนานกล่าวว่าบางตำรากล่าวว่าปัญจวัคคีที่เหลืออีสี่องค์นั้นได้สําเร็จคนละวันคือว่าปะได้สำเร็จในวันแลนหนึ่งค่ำพัทธิยะสองค่ํามหานามะสามค่ำและอจัจฉริสี่ค่ำแต่บางตำนานกล่าวว่าในวันสองค่ํานั้นท่านว่าปะกับพัทธิยะ ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันสี่ขั้ท่านมหานามะกับอัศเชิได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าทั้งสองตำหนักทั้งสองตำลานี้ก็ลงรอยกันก็คือว่าปัญจวคีอีกเหลืออีสี่องค์นั้นนะ่ะสําเร็จภายในวันแรมสี่ขั้มคือไม่เกินไปกว่า น, นี้พระอาพระพุทธองค์นั้นเมื่อทรงสั่งสอนปัญจวคีทั้งสี่อง ให้สำเร็จรวงตายิ่งธรรมคือเป็นพระโสดาบันนั้นเมื่อปัญญวคีทั้งสี่องค์ได้สำเร็จแล้วก็ได้ขอบรรพชาอุปสมบทพระองค์ก็ประทานให้ด้วยเอยชิติกูปุสมธาเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิงนับได้ว่าภายในวันแรมสี่ค่เดือนแปดนั้นได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลก เป็นแต่เพียงพระสงฆ์ผู้เป็นอริยะแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะสี่องค์ด้วยกันอ่ะสี่องค์ด้วยกันนี้พระสงฆ์เกิ ด, ข, ก ด, ก ด, กดขึ้นในโลกสี่องค์ด้วยกันแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดเกิดอขึ้นในโลกสี่องค์แล้วพระองค์ก็ได้อบรมบ่มนิสัยจนกระทั่งเห็นว่าทั้งสี่องค์นี้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วคําว่าอินทรีย์แก่กล้านี้อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์ห้าไม่ใช่อินทรีย์หก อินทรีห้าในที่นี้ก็ได้แก่สตาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ในที่นี้อเรียกได้สองอย่างอีกประการหนึ่งเรียกว่าพระหา้าพระหา้าหรืออินทรีห้าเมื่อเห็นอินทรีย์ทั้งห้านี้แก่กล้าแล้วพระองค์ก็จึงได้จัดเรียกประชุมพระภิกษุทั้งหรูปที่เรียกว่าภิกษุปัญจวัคคี แล้วพระองค์ก็ในวันที่ห้านเองพระองค์ตัดเรียกมาประชุมแล้วก็ได้แสดงอนัตนตลกนัสสุเพื่อที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นสูงต่อไปเอาละท่านสาธุชนวันนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันเจริญพร สุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาว่ากันถึงบทเรียนต่อไปในครั้งที่แล้วนั้นได้กล่าวมาถึงตอนที่พระพุทธองค์นั้นเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วในวันแรมห้าคำ่ำเดือนแปดตนเองพระองค์ก็จึงได้เรียกปัญจวัคคีย์ เรือกประดัประชุมปัญจวัคคีทั้งห้าแล้วก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาเพื่อความาเพื่อที่จะให้สาเร็จมรรคผลนิพพานในขั้นสูงต่อไปพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงตรัสนี้พระธรรมเทศนานั้นได้ชื่อว่าอะนัตตลัคนสุขพระองค์ในตรัสที่ป่าอิสิปัตนะมลคทายวันนั่นเอง อนตัตตลกนาสูตรนี้พระสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องความไม่มีตัวมีตนหรือความไม่ใช่ตัวไม่ใฉ่ตนในอนตัตตลกนาสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงยกเอาขันห้าขึ้นมาแสดงขันห้านั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นหมายถึงว่า รูปร่างของเราที่ประชุมมาด้วยมหาภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุนี่เรียกว่ารวมแล้วเรียกว่ารูปบางคนอาจจะสงสัยว่าดินน้ำไฟลมในตัวใ น, ในร่างกายของเราเนี่ยมีไหมมีอยู่หรืออันนี้ก็มีคำว่าธาตุดินนั้นหมายความว่าสิ่งที่เป็นลักษณะแข็ ง, ขง เพราะฉะนั้นในร่างกายของเรานี่มีธาตุดินจึงทําให้เรายืนได้นั่งได้นอนได้นะนี่คือลักษณะของธาตุดินในแก่ผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเหล่านี้เป็นต้นมันรวมกันแล้วประการที่สองธาตุน้ำนั้นเป็นลักษณะที่มีธาตุที่เอึออาบซึมซาบไปทั่วร่างกายหมายถึงเลือดเงืออ่า น้ำอัดเรื่องเงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมุดเหล่านี้เป็นต้นอะที่ได้เลี้ยงรอเลี้ยงร่างกายของเรานี่ให้ชุ่มชื่นเนี่ยไม่ผาแห้งอยู่ธาตุไฟธาตุไฟนี้ก็มีอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ได้ว่าเราจับตัวของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่อบอุ่นไฟนี้สามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เปื่อยเน่านี่เพราะอาศัย ธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่ในร่างกายของเราทําให้เรานี่เคลื่อนไหวได้แกว่งมือแกว่งแขนได้ไกวขาได้เดินได้ยืดแข้งยืดขาได้เหล่านี้เป็นตน้นก็เ้นนืยอำนาจของธาตุลมถ้าหาว่าธาตุลมไม่มีคนนั้นก็เป็นอมาาัมพาตว่ากลายของเรานี่ก็จะแข็งกระด้างไปนี่เรียกว่าธาตุสีรวมแล้วเรียกว่าลูกเวทนา น, นั้นคือความสวยอารมณ์ คือความรู้สึกถึงอารมณ์พูดง่ายๆคือเวทนานี้ได้แก่ความรู้สึกเช่นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกเป็นฟุรู้สึกเป็นทุกข์เหล่านี้ได้แก่เวทนาสัญญานีนความจําความจําได้หมายรู้ที่เราได้เรียนมาหรือได้ประสบสิ่งหนึ่งสิ่งใด้มาเราก็สามารถนํากลับมาคิดได้มาจําได้ว่าวันนั้นเราไปที่นั่นได้ประสบสิ่งที่เหล่านั้นนี่คือความจําสังขารคำว่ า, าสังขารในที่นี้ มิได้หมายถึงสังขารที่เราเรียกว่าอุปาทินากะสังขารสังขารมีใจครองกับอุปาทินากะสังขารสังขารไม่มีใจครองสังขารในที่นี้ได้แก่สิ่งที่ปรุงใจให้ดีบ้างชั่วบ้างซึ่งตามภาษาปรมัตา์แล้วเาอเรียกว่าเจตสิกร่างกายหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีเพียงจิตใจดวงเดียวเท่านั้นเองแต่บางครั้งจิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความกรุณาแต่บางครั้งเนี่ยเต็มไปด้วยความโกรธโหดไายทารุณ ต่างๆนนี่ก็พวาะอาศัยสังขารเป็นเครื่องปลุกใจแล้วก็วิญญาณวิญญาณนี่ก็คือใจหรือจิตเหล่านี้เองซึ่งสามารถตัดสินอารมณ์ได้ว่าสิ่งที่เราได้ประสบได้พบมาเนี่ยเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่วพอใจหรือไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นทั้งห้าเหล่านี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเฉยตนคาว่าไม่ใฉยตัวเฉยตนเนี่ย หมายความว่าทั้งห้านี่รวมแล้วก็เป็นตัวเอเป็นตัวคนของเราเนี่ยซึ่งเราท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ก็ตามหรือผู้ที่ได้พูดอยู่ก็ตามเนี่ยรวมแล้วก็มีขันด้วยกันห้าขันหมายถึงว่ากองห้ากองมารวมกันเข้าก็ทําให้เราเนี่เดินได้พูดได้ยืนได้กินได้ดื่มได้นี่รวมแล้วเป็นตัวคนแต่ว่าทุกคนนะก็นึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นเราเสมอไม่ใช่เป็นตัวคนอื่นแล้วทาไมพระองค์จึงตรัสว่าอนัตตา เ็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอันนี้ดูรู้สึกว่าจะเป็นขัดความสภาพเป็นจริงใช่ไหมความจริงแล้วพระองค์เนี่ยทรงสรับภาวะที่ที่ความเป็นจริงว่าธรรมดาแล้วเนี่ยคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับสังขารร่างกายของเราได้ทุกคนเกิดมาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บและไม่อยากตายแต่ว่าทุกคนพ้นไหม สามารถกำจัดได้ไหมห้ามได้ไหมเปล่าเลยทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตนและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเป็น <c oughs> ยึดได้ยังไงว่านี่คือไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเหตุ <c oughs> ที่ว่าเป็นอนัตตานี่เพราะเหตุที่ว่าไม่เป็นไปในอำนาจของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับคนชายของเรา หรือบริวารของเราเราบังคับได้แต่บริวารคนคน อ, อื่นนั้นเราบังคับไม่ได้ชั้นใดเหมือนกันร่างกายของเราเนี่เราไม่ก็บังไม่สามารถจะบังคับได้แล้วเราจะไปกล่าวว่านี่เป็นร่างกายของเราได้อย่างไงนี่แหละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าหน้าตานี่ยคือไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแต่ว่าโดยโลกสมมุติแล้วก็เป็นตัวเราเป็นตัวเขาตัวคนโน้นตัวคนนี้แต่โดยสภาวะที่เป็นจริงแล้วหาใช่เราใช่เขาไม่ เพราะเหตุที่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับตัวของเราได้ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บและไม่ให้ตายนี่พระองค์ทรงตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเหตุใดพระองค์จึงได้ยกเอาอนัตตาเนี่ยอนัตตลัคณาสูตรเนี่ยพิสูจน์ว่าด้วยลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวใชตนเนี่ยมากล่าวสอนปัญจวัคคีย์อันนี้ก็เพราะเหตุว่าปัญจวัคคีย์นั้ น, นเป็นพราม์ นับถืศา ส, สนาพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์หรือพวกพราหมณ์นี่เขามีความเห็นหรือว่าอ่ามีความเห็นประการหนึ่งว่าพระพรหมนั้นเป็นอาตมันคนเหล่านี้เป็นอัตมันคือเป็นตัวเป็นตนพระพรหเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการการที่จะทำลายทิฏฐิคือความเห็นอันผิดของพวกพราหมณ์เสียคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยว่าความจริงแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนก็จึงได้ยกอนัตตลักษณสูตร ก็สูจว่าด้วยลักษณะที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้นขึ้นมาแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ให้เห็นชัดว่าขันห้าที่เรานับบอกเป็นตัวเป็นตนนี้ความจริงแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะเห็นที่ว่าแยกออกไปแล้วไม่สามารถจะเรียกใดวันนี่เป็นตัวหรือเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้เลยนียเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุที่ว่ามันไม่เที่ยงเช่นนี้เราควรจะยึดถือได้ไหมว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ควรยึดถือไม่ได้ฉันใดก็ดี เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานี่เราก็ไม่สามารถจะบังคับได้จึงไม่ควรจะถือว่านี่เป็นตัวของเรานั่นเป็นตัวของเขาพระองค์ก็ทรงสอนให้ปัญจวัคคีเนี่ยให้ละการยึดถือมั่นในขันเ่านี้เสียปรากฏว่าเมื่อปัญจวัคคีนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วจิตใจของปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้ปราศจากกิเลสอาสวะ ไม่มีการยึดมั่นด้วยอุปาทานวันนี้เป็นเราเป็นเขาเมื่อจิตใจที่สิ้นไปด้วยกิเลสอาสวะปราศจากไปจากจิตใจของปัญจวัคคีแล้วก็เป็นอันว่ามาปาีปัญจวัคคีทั้งห้านียมียาลู้อันพิเศษพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงจึงได้เป็นพระอรหันต์นะเกิดขึ้นในจึงได้เป็นพระอรหันต์ สมเร็จกิตพรมจรย์อยู่แล้วอดที่จะพึงกระทำเพื่อความสิ้นทุกสุดทุกนั้นก็ได้กระทำหมดไปแล้วจึงนับว่าเป็นพระอรหันต์ในโลกปรากฏว่าในครั้งนั้นในวันแรมห้าค่ำนั่นเองจึงได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหกองด้วยกันคือหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดากับปัญจวัคคีทั้งห้ารวมแล้วเป็นหกท่านด้วยกัน นี่ปรากฏว่าพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก6กพระองค์ก็เป็นอันวัดจบบริเฉทที่หกต่อไปก็เป็นบริเฉทที่เจ็ดทรงสาวกไปประกาศพระศาสนาท่านขึ้นหัวรหัวข้อเรื่องอย่างนี้ก็ในสมัยนั้นเองคือในระยะการเช่นนั้นเป็นระยะฤดูฝนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นปัญจวัคคีนั้นก็ได้จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นเองคือหมายความว่าไม่ไปเที่ยวจารึกที่อื่นเพราะเป็นหน้าฤดูฝนในมาที่พระนครพาราณสีนั่นเองได้มีกุลบุตรชื่อผู้หนึ่งชื่อยะสะยะสะผู้นี้เป็นบุตรของเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีซึ่งเป็นเศรษฐีในตระกูลที่มั่งคั่งมาก ในตะกูลที่มั่งคั่งมากมีเลือนอยู่ถึงสามหลังสำหรับให้เป็นที่อยู่ให้เหมาะสมแกันในฤดูทั้งสามอันนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าการที่มีเลือนอยู่ให้เหมาะสมกันในฤดูทั้งสามนั้นก็เพื่อเป็นการที่รักษาชีวิตของตัวเองเยศศักดิรบุตรผู้นี้เป็นลูกของเศรษฐีที่บิดามารดาเอาใจมาก โดยการที่ให้บมเลด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีทั้งนั้นไม่มีบุุรเสียปลทั้งกลางวันกัางคืนอันนี้ก็เพื่อต้องการให้บุตรของตัวเองนั้นเพลิดเพลิน อ, อยู่ในเรื่องการมาคุหรือว่าในโลกีวิสัยค่าคืนวันหนึ่งยะสะกุณบุตรเหล่านี้กระุกุลบุตรนั้นได้หลับไปหลับไปในตอนหัวค่า เมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วในตอนดึกจึงได้เห็นอาการอากัปกริยาต่างๆที่แปลกปลาดของเหล่าสตรีที่ประโคมดนตรีหรือเป็นบริวารตนอยู่มีอาการต่างๆนาน า, นาซึ่งบางนางก็มีพินตกอยู่ที่ลักแร้บางนางก็เหลี่ยมมีตะโพนวางอยู่บนคอบ้างบางนางก็สยายผม บางนางก็โกลนบางนางก็กัดฟันบางนางก็นอนน้ำลายไหลคือมองดูแล้วนั่นเนาะเหมือนกับสร้างศกในป่าชา้าไม่ได้เกิดความยินดีอะไรไม่ได้เกิดความยินดีด้วยลาคะตันหาอะไรเลยเกิดความเมื่อนายขึ้นมาทันทีนี่อันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกต่จิตใจของยักษ์ อันนี้อาจจะมีปัญหาว่าทำไมธรรมดานั่น่วันอื่นยสะนั้นไม่เคยประสบพบเห็นหรืออันนี้ก็วันอื่นๆนั้นยาศะคุณประบุไม่ได้นอนหลับตอนหัวค่าอย่างนี้เมื่อเห็นว่าสมควรที่นอนหลับแล้วบรรดาพวกนางสมนมกงนั้นแอบพวกนางบําเลรอทั้งหลายก็ได้นอนหลับแล้วก็ตื่นในระยะทางที่ใกลกันแต่ว่าวันนี้ยาศะเนี่ยหลับตัวหัวค่ำ มันนอนจุเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นตื่นมากลางดึกซึ่งพวกนางสนมนสมนางบําเอทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้หลับยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจึงได้เห็นอาการกแปลกและทําไมวิายาศาสตรคุณบุตรนี้จึงได้เห็นแล้วมีอาการดึกว่าเหมือนกระร้างศพที่ททิ้งในป่าชา้าอันนี้ท่านก็แกล ว, ว่าเป็นด้วยเหตุที่ว่าอุปนิสัยที่ยาศานั้นได้เคยกระทา ม, มาหรือว่าได้เคยออดลมมาในอดีตชาตินั้น ยศกุณบุตรนี้เคยได้อสุภาสัญญามรณะสติหรือมรณะสัญญาด้วยในเหตุที่ว่าเคยเผาศพคนที่ไร้ญาติมาเสร็จแล้วใจิตใจที่ได้เคยอบรมได้มรณะสัญญาหรืออสุภาสัญญาขึ้นมานั้นก็เด็ดมาจนในชาตินี้เมื่อเห็นนามมือนามมือเหล่านี้ขึ้นก็เกิดความเบื่อหน่าย อมองดูแล้วเหมือนก็ซากศพในป่าชาก็เกิดความอึดอัดสะดใจเบืออหน่ายคิดใจะจะหนีไปแล้วก็จึงได้ออกอุทานคือว่าที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องนอยะยศสารคุรบุตรนั่นเกิดความลองทานใจขึ้นมาก็เลยสวมรองเท้าแล้วก็ลง อ, ออกจากประตูเหลืองของตัวเองออกเดินไปบนไปบนไ ป, บนไปเรื่อย เดินไปบนไปจกนกระทั่งว่าเดินไปหนุนสู่หนุทางที่ไปปลายสิพัฒนะมฤุกขายวันในเวลานั้นก็เป็นเวลาจวนใกล้ลุมซึ่งพระบรมศาสดานั้นกําลังเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ยินเสียงมัจสาาักกุลบุตรผู้เดินมาแล้วอุทานมาอยู่ ใ, ใกล้ว่าที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะพระองค์ท่านก็ทรงตรัสตอบว่า ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเทินท่านมาที่นี่สินั่งลงแล้วเราจะแสดงธรรมแก่ท่านยะสะกุณฑบุตรในตอนนั้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับคนที่เรือแตกกําลังว่ายอยู่ในทะเลหลวงเมื่อเห็นมีสิ่งหนึ่งจริงใดลอยมานั้นก็ต้องเกาะไว้ก่อนแม้ว่าสิ่งนั้นจะสามารถช่วยทานกําลังตัวเองได้หรือไม่ได้ก็ตาม ฉันไ ด, ด้ก็ดีตอนนี้เมื่อตนเองนั้นกําลังอยู่เรียกว่าเหมือนกันในทะเลหลวงเมื่อได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก่อนนึกว่าไงๆก็ต้องลองทดลองกันดูก่อนก็จึงได้ถอดรองเท้าเข้าไปก่อนที่จะเข้าประตูป่าเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วใกล้ๆเข้าไปใกล้แล้วก็ได้วายแล้วก็นั่งลงที่สงควรส่วนข้างหนึ่งที่เหมาะสมพระพุทธองค์นั้นเมื่อจะสักุณบุตรผู้นี้นั่งลงแล้วพระองค์ก็ได้เทศนาจบ ในเบื้องต้นนี้เพราะเหตุที่วัยศากคุณบุบุนี้เป็นผู้ที่ยังไม่เคยต่อพุทธศาสนาพระองค์ก็ได้ใช้ธรรมะขัดเกลว์ซะก่อนเป็นการเรียกว่าฟอกจิตใจของยะศาะนี้ให้สะอาดซะก่อนก็คือพระธรรมเทศนาตอนแรกนั้นพระองค์ทรงสแสดงอนุปุปพีกถาอนุปุปพีถานี่แปลว่าการกล่าวไปโดยลำดับหัวข้อ คือกล่าวจากที่ง่ายไปหาที่ยากธรรมะที่ง่ายไปสู่ที่ยากเพื่อเป็นการกล่อมเกลวหรือว่าขัดเกลวจิตใจของยาศาสะร์นี้ให้ป่องใสซะก่อนเหมือนกับคนย้อมผ้าก่อนที่จะย้อมผ้าให้ติดสีดีให้สวยงาม น, นั้นจะต้องสำลอกซะก่อนคือซักซะก่อนซักผ้าให้สะอาดซะก่อนอันนี้เหมือนกันพระธรรมเทศนาที่ว่าอนุปุกภิกถานนี้ถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนกับ การที่ฟอกจิตใจใช้สิ่งที่ฟอกจิตใจยสะนี้ให้ขาวสะอาดซะก่อนแล้วจะได้รับฟังธรรมะขั้นสูงต่อไปในอนุปตรพีกฐถานี้พระองค์ทรงแสดงไปโดยลำดับนั่นก็คือในข้อแรกก็คือแสดงเรื่องทานพาลนาถึงการเสียสละทานเรื่องการเสียสละการเสียสละช่วยเหลือคนยากจนต่างๆ หรือการบริจาคเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลและสลากา ร, ปรเปลี่ยนเป็นต้นเหล่านี้พละนาถึงการให้ทานซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะที่พอทำง่ายประการที่สองก็พละนาถึงเรื่องศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประการที่สามก็พละนาถึงเรื่องสวรรค์ สวรรค์ น, นี่คือสถานที่มีอารมณ์เป็นเลิศได้แก่พวกกามคุณหมายความว่าบุคคลใดก็ตามที่บริจาคทานและก็รักษาศีลพวกนี้จะได้ไปประสบแต่ในทางที่ดีที่เราเรียกว่าไปสู่สุคติคือสถานที่มีคติอันดีหรือว่าที่ดีๆมีกามคุณเพียบพร้อมที่เราเรียกกันว่าสวรรค์และประการที่สี่นั่นก็พารนาถึงโทษของกงัง ก็เห็นว่าเมื่อคนเรานั้นอ่ะเท่าพันละบังเพลนทานนะแล้วให้ศีลแล้วไปเกิดในสวรรค์แล้วจนหลงแต่อยู่ในเรื่องกรรมอาฆุณอันเป็นสิ่งที่จะให้ก่อความทุกโดยมีสิ่งสุดนั้นพระองค์ก็ไปพัลลานาเสีว่าโทษของกรรมคุณนั้นมีอะไรบ้างเป็นยังไงโทษของกรรมอาฆุณคือบุคคลใดก็ตามที่ข้องอยู่ในเรื่องกรรมอาฆุณนี้บุคคลนั้นอ่ะมีแต่สิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นทุกข์เท่านั้น ดังพระพุทธภาสิทธิบุตรองคตว่าอัปปะสาธาทุกขากา ม, มาการนี้มีความยินดีเพียงนิดหน่อยแต่ว่าทุกข์มากเหลือเกินนี่พละนาถึงเรื่องโทษแล้วในพละนาในข้อต่อไปถึงเรื่องเนคขมานิสังตักกะถาก็คือพละนาถึงอนิสงส์แห่งการออกจากกามนะพละนาถึงการในอนิสงส์แห่งการออกจากกามที่เราเรียกกันว่าการออกบวช คำว่ า, าบวชนั่นก็แปลว่าการเว้นในที่นี้ก็คือการเว้นจากกรรมก็ที่เราเรียกว่าออกจากกรมหรือออกบวชนั่นเองบุคคลใดก็ตามที่ไม่คล่องแวะอยู่ในเรื่องการมมคุณทั้งหลายบุคคลนั้นก็ปราศจากความทุกข์ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของสมุทยัยทิโลธมรรคเหล่านั้นก็พัฒนาฟอกจิตใจของยาศกุลบุตรเนี่ย จนกระทั่งที่เห็นว่าอ่อนโยนพอที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาได้แล้วพระองค์ก็ได้แสดงอริยสัจสีประการเป็นพระธรรมเทศนาข้อต่อไปอริยสัจสีประการนี้ก็คือทุกสภาพที่ทนได้ยากสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกนิโรธความดับทุกและมรรคหนทางให้ถึงความดับทุก ดังที่ไดะอธิบายมาแล้วพอจบพระธรรมเทศนาปรากฏวายสักุลุรรนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันเหมือนกันพอจบพระธรรมเทศนาอริยสัจสีประการเนี้ทั้งฝ่ายมารดาที่อยู่ทางบ้านของยศกุลุรรบนั้น ในเวลาตอนเช้าเวลาตอนเช้านะ่ะขึ้นไปบนเรือนเมื่อไม่เห็นลูกชายของตัวเองนั้นก็จึงได้เที่ยวหาดูทั่วก็ไม่เห็นก็จึงได้บอกเรื่องนี้กับเศรษฐีผู้เป็นสามีเศรษฐีผู้เป็นสามีนั้นก็จึงจัดให้คนนั้นพวกคนชายนั้นออกเที่ยวหาทั้งสี่ทิศออกติดตามว่าจะไปในที่ไหนแล้วตนเองก็ออกติดตามด้วย แต่ให้บังเอิญนั่นเดินไปทางหนทางที่ไปสู่ป่าอิสิปตนามลิกทายวันซึ่งป่าอิสิปตนามลิกทายวันนี้อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีประมาณสิบสองไมล์ก็ตนเองก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจนไปถึงป่าอิสิปตนามลิกทายวันก็เห็นรองเท้าของลูกชา้างตัวเองก็จําได้วันนี้เป็นลุ่งรองเท้าของลูกชา้างตัวเองคือยศ เสร็จแล้วก็เข้าไปในประตูป่านั้นเข้าไปเฝ้าพื้เจ้าก็ทูลถามหาถึงยะศพระองค์ก็บอกว่าให้เศรษฐีนั่งลงก่อนเมื่อเศรษฐีนั่งลงแล้วพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดซึ่งเป็นกันเดียวกับที่แสดงให้แกย่ยะกคุณบุตรนะซ้ำกันก็คือในดับแรกก็ทรงแสดงอนุพปพีกถา ฟอกจิตใจเหมือนกับที่แสดงเกีับยศศักด์เหมือนกันและต่อจากนั้นก็แสดงอริยรสัจสี่ประการเนะเป็นการสำทับต่อไปอีกก็ปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดานี้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรม ก็คือเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่ยศกุลบุตรนั้นนั่งอยู่ในที่นั่นด้วยได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์นั้นได้แสดงแก่บิดาของตนซ้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็พระธรรมเทศนานั้นก็กระจา่างขึ้นตอนแรกนั้นตนเองนั้นยังไม่เคยสัมผัสคือยังไม่ได้เคยรับฟังตนเองยังไม่มีความชำนาญในพุทธศาสนา ฟังเป็นครั้งแรกก็ได้เพียงเป็นเพียงพระโสะดาบันท่นั้นเองได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ตอนนี้ได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งใดที่ยังเข้าใจไม่ชัดก็ชัดแจ่มขึ้นทรงจิตใจของตัวเองนี่ไปในอ่า ใ, ในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ บ, บิ ด, ดาของตนเองปรากฏว่าทำจิตใจของตนเองนั้นให้ผ่องใสปราศจากกิเลสอาสวะใด เพราะฉะนั้นพอจบพระธรรมเทศนานั้นบิดาของตัวเองได้เป็นพระโสดาบันตนเองได้ฟังสองครั้งซ้ํำก็ปรากฏว่าได้เป็นพระอระหันต์คือสําเร็จอรหัสผลนี่อันนี้แหละเรียกว่าอานิสงส์แห่งการฟังเท่การฟังซ้ำๆการฟังซ้นะํานั้นมีประโยชน์เช่นนี้แต่วัานนักเรียนทั้งหลายเนี่ยหรือท่านผูกฟังบางท่านเนี่ยไม่ค่อยชอบเทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดใครแสดงซ้ําแล้วก็ มักจะเกิดความเบื่อหน่ายว่าสิ่งนั้นเรารู้แล้วบางทีก็บอกว่าฉายหนังซ้ําเป็นการว่าซะเลยแต่ความจริงเรื่องการฟังซ้ําเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้ครั้งแรกเราอาจจะไม่เข้าใจชัดแต่ครั้งหลังนี่ก็เข้าใจชัดแน่ดูตัวอย่างยาสะสัมมนกเป็นตัวอย่างได้สำเร็จเป็นพระหันเพราะฟังซ้ํานี่แหละเซธีผู้เป็นบิดาของอยสะสัมพวนี้ เมื่อตอนเองเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วตนเองได้เป็นผู้โสดาบันเรียกว่าเป็นผู้มีสถานไม่ทอนแขนในพุทธศาสนาเรื่อมใสเป็นที่ยิ่งในพุทธศาสนาและก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสกโดยการที่ระ ล, ลึกถึงพระธรรมตรายทั้งสามประการนะเป็นรณะที่พึงนะโดยคําที่ว่าเป็นคําแปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์กับพระธรรมและพระพิสุสงเป็นสรณะที่ ล, ลึกที่นับถือขอพระองค์ทรงทำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงรัตนไตรเป็นสนะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงนับได้ว่าเศรษฐีผู้เป็นบิ ด, ดาของยสาะานี้เป็นอุบาสกคนแรกในการนับถือพุทธศาสนาหรืออ้างอิงอพระรัตนทั้งสามครบบริบูรณ์ กนกว่าใครทั้งหมดในโลกมีอันนี้ท่านนักศึกษาต้องฟังต้องจําไว้ให้ดีเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อในสัปดาห์ที่เจ็ดนั้นตาปุสะพลิกะพ่อค้าสองพี่น้องได้แสดงตนเป็นอุบาสกก่อกว่าใครในโลกแต่อุบาสกผู้นั้นตปุสะพลิกะผู้นั้นเป็นพวกประเภทเทวะทเววาจิกะอุบาสก คือถึงแต่พระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นเป็นสาระเพราะตอนนั้นยังไม่มีพระศพแล้วหลังจากนั้นมาในภาษายุการนั้นเองก็เรียกว่าเห็นจะในภาภัยในภาษานั้นหากันไม่กี่วันนะก็มีเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสะมานกผู้นี้แหละได้แสดงตนเป็นอุบาสกเหมือนกันแต่ว่าถึงพระรัตนาสาม เพาเห็นว่าในขณะนี้มีภาษาคุรัตนะแล้วคือมีพระสงฆ์แล้วได้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าเปตตได้กล่าวอ้างว่าเป็นสาระที่พึงทั้งสามประการเพราะฉะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบินดาพิจ า, าสณ์นี้จึงนับว่าเป็นอุบาสกประเภทเตวาจิกาอุบาสกก็คือว่ากล่าวถึงรัตนะทั้งสามนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าจะว่าเป็นภาษาบาลีแล้วสองคนพี่น้องนั่นกล่าวว่าอาหังพุธทธันจะธรรมันจะสรานาะนังคตะคาโต๊แต่ว่าอุบาสกผู้เป็นสุธีนี้กล่าวว่าอาหังพุธทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรานาะนังคาโต๊นี่ผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนต้องจําไว้ว่าอุบาสกคนแรกในโลกนั้นมีสองประเภทคือประเภทหนึ่งประเภท เ, ตเตทเววาจิกาอุบาสก ถึงรสนะสองได้แก่พระพุทธกับพระธรรมคือตัุสสะกับลิกะอีกประเภทหนึ่งถึงพระรตนะสามก็ได้แก่เศรษฐีผู้เป็นบินดาของยศรรเป็นอุบาสกประเภทเตวาจิกะอันนี้สิ่งควรจำเศรษฐีผู้เป็นบินดานั้นตนเองได้เมือ่อตอนเองเมือออเอม่อประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วก็ไม่ทราบว่า ยสะกุลบุตรอยาศะกผู้เป็นบุชาตัวเองนั้นเป็นพระหารแล้วก็จึงได้กล่าวว่าพ่อยสะเจ้านั้นจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดมารดาของเจ้านั้นโศกเศร้าโศ ก, กาพิไยลำพั น, นถึงเจ้านักนี่อเสร็จแล้วก็ตอนนี้ยสะมองหน้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสให้ฟังว่าบัรนี้ยศนั้นได้สําเร็จเป็นพระรหัสแล้วไดสําเร็จเป็นพระรหัสแล้วควรหรือที่จะกลับไปอยู่ครองคลาวาสเศรษฐีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นลาบอันยิ่งของยศแล้วก็จึงได้ทูลเชิญสเสด็จพระองค์กับยศคุณบุตรนั้นไปทรงรับพระตาหารในเช้าวันนั้นเองที่บ้านของตัวเองเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนขอความเจริญพาสุข จงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอจเจริญพร